เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณต้อมซึ่งเคยประสบเรื่องนี้มาเมื่อยีสิกว่าปีก่อนซึ่งผมเห็นว่าเนื้อเรื่องนั้นสนุกและมีข้อคิดในเรื่องความรักของชายหญิงอย่างน่าสนใจจึงจะขอนํามาเล่าในแบบของหลอนก่อนนอนหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย เรื่องนี้ต้องเริ่มจากตอนที่คุณต้อมนั้นได้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในตอนนั้นคุณต้อมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอีกหนึ่งคนชื่อว่าพลในตอนนั้นต้อมและพลได้ไปเดินที่ตลาดเช้าและพบเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสละสวยมากซึ่งในตอนนั้นเธอกําลังเดินซื้อของอยู่กับแม่พลรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยเดินเข้าไปขอเบอร์โทรศัพท์จึงทราบเบอร์เธอชื่อแนท มีอายุเพียง19ปีเท่านั้นในขณะที่พล น, นั้นมีอายุ30ปีแล้วนับจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ดำเนินไปด้วยความสุขแบบที่หนุ่มสาวพึ่งจะทำต่อกันพลมักจะโทรศัพท์หาแนทอยู่เป็นประจำซึ่งก็ดูเหมือนว่าแนทเองก็จะชอบพลอยู่เช่นกัน เป็นโชคดีของพลเพราะแนทนั้นทั้งสวยและน่ารักผิวขาวผมยาวส่วนทรงต่างๆก็ถือว่าดีมากจัดว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากคนหนึ่งเลยทีเดียวทั้งยังเด็กกว่าพลนับสิบปีและยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนขณะที่พล น, นั้นอายุป่านนี้แล้วก็ยอมเคยรักเคยผ่านใครมาบ้างแล้วเป็นธรรมดา ช่วงเวลาที่พลคบอยู่กับน้องแนทนั้นอยู่ภายใต้การรู้เห็นของต้อมอยู่ตลอดเพราะพลมักจะมาพูดคุยปรึกษาเรื่องของน้องแนทกับต้อมอยู่เสมอในวันปกติหลังจากเลิกงานพลมักจะขับรถไปหาน้องแนทสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่าสองถึงสามวันซึ่งพลก็จะไปนอนค้างที่เมืองการและตื่นตอนตีสามบึ่งรถกลับมาทางานที่กรุงเทพต่อ ต้อมอยางแซวพลว่าติดผู้หญิงแล้วขยันจริงๆแต่ก็ดีใจกับเพื่อนด้วยเพราะน้องแนทเองก็สวยและยังเด็กซึ่งจากการที่ต้อมได้คุยกับน้องแนทบ้างเพราะบางครั้งพลก็ชวนให้ขับรถมาเที่ยวเมืองการอีกก็รู้สึกว่าน้องแนทเป็นคนดีมากบ้านของแนทนั้นเป็นครอบครัวของชาวไร่ซึ่งแนทเองก็มีพี่น้องอยู่3มคนโดยที่แนทเองเป็นลูกคนสุดท้องและมีพี่ชายอีกสองคน การคบกันของทั้งพลและแนทนั้นเปิดเผยและอยู่ภายใต้การรู้เห็นของพ่อและแม่ของแนทมาโดยตลอดโดยที่พล น, นั้นก็ไม่เคยละเมิดใดๆให้น้องแนทต้องเสื่อมเสียเมื่อเวลาผ่านไปทั้งผู้ใหญ่พ่อแม่ของน้องแนทก็รู้จักมากจี ก, กับพลและต้อมดีถึงขั้นยอมให้พล น, นั้นมานอนค้างที่บ้านของแนทได้เพียงแต่ไม่ได้นอนร่วมห้องกันเท่านั้นซึ่งเพียงเท่านี้หัวใจของพลก็พองโตมากที่สุดในชีวิตแล้ว จนวันหนึ่งพ่อของแนทก็เอ่ยขึ้นกับพลว่ามาคบกับลูกสาวของแกแบบนี้ก็ทําพิธีมั่นให้มันเป็นเรื่องเป็น ร, ราวไหมชาวบ้านเขาจะได้ไม่นินทาเอาพ่อของแนทเป็นชาวไร่ชาวสวนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนสบายๆแต่ก็รักและหวงลูกสาวอยู่ไม่น้อยเช่นกันตามภาษาของคนเป็นพ่อพลได้ยินดังนั้นก็ตกปากรับคําและรีบไปจัด ก, การหาผู้ใหญ่มาเป็นเถ่าแก่ให้ ซึ่งผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหัวหน้า ง, งานของต้อมและพลนี่เองโดยสินสอดที่ทําพิธีมั่นนั้นพลได้มอบทองหนึ่งบาทให้กับแนทโดยมีต้อมและญาติญาติของน้องแนทรวมถึงชาวบ้านอีกไม่กี่คนที่รวมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่เมื่อพิธีที่ผู้ใหญ่ต้องการผ่านพ้นไปทั้งพลและแนทก็เหมือนได้รับอิสระมากขึ้น ทั้งคู่จึงนัดกันเพื่อที่จะไปนอนพักกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งห่างจากบ้านของแนทเองไม่ไกลนักแต่ก็ปลอดจากสายตาของคนในครอบครัวจะทําอะไรก็สะดวกมากกว่าในที่สุดความรู้สึกของหนุ่มสาวก็พาทั้งคู่ไปสู่สิ่งที่มันเรียกร้องอยู่ตลอดมาทั้งพลและแนทก็เป็นของกันและกันในรีสอร์ทแห่งนี้นี่เองเป็นช่วงเวลาที่ชื่นมืน่นและเต็มไปด้วยความสุข ชนิดที่ใครก็แยกทั้งคู่ให้ห่างกันไม่ได้แม้เพียงแต่วินาทีเดียวรุ่งเช้าทั้งสองก็พากันไปที่ถ้ำลิเจียเพื่อจะกล่าวบนบานกับสารซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนั้นเพราะตอนนี้น้องแนทรู้สึกว่ารักพลมากแต่ก็ยังไม่แน่ใจในตัวของพล น, นักเพราะจะว่าไปนี่ก็เพียงเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นที่ทั้งคู่ได้พบกัน นัดจึงขอให้พล น, นั้นสาบานกับนทหน่อยต่อหน้าศาลแห่งนี้ว่าจะไม่ทอดทิ้งกันซึ่งแนทเองก็จะสาบานว่าจะไม่ทอดทิ้งพลไปไหนแม้ในยามนั้นหากแนทขอให้พลว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรพลก็คงจะทำด้วยความเต็มใจในทันทีเพราะความรักในตอนนี้ดูดดื่มเกินจะมีสิ่งใดมาขัดฝืนได้พลตอบกลับไปให้คู่รักอายุน้อยของเขาฟังว่า เพื่อความสบายใจของแนทพี่จะขอสาบานว่าเราทั้งสองหากใครต้องตายไปก่อนขอให้ใครคนนั้นกลับมารับอีกคนไปอยู่ด้วยหากพี่ตายพี่จะกลับมารับน้องหากน้องจากพี่ไปก่อนขอให้น้องกลับมารับพี่นะแนทได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มเมารับอย่างมีความสุข ชีวิตรักยังผัวเมียของทั้งสองจึงดำเนินไปเช่นนี้ร่วม1ิบกว่าวันโดยที่พ่อแม่ของน้องนัดเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถือว่ามั่นกันแล้วตามภาษาคนต่างจังหวัดที่พูดง่ายขอแค่จริงใจต่อกันก็พอแต่พ่อของแนทก็เอ่ยกับพลว่าปีใหม่นี้ขอให้นำผู้ใหญ่มาสู่ขอลูกสาวของแกให้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีได้ไหมซึ่งผลเองก็ตอบรับเช่นเคยทุกอย่างดูจะเป็นไปตามที่กรรมเทพต้องการให้เป็น แต่ยูมาวันหนึ่งผลก็เกิดทะเลาะ ก, กับแนทขึ้นแล้วก็โทรมาบอกต้อมว่าต่อไปนี้ต้อมและแฟนของต้อมไม่ต้องโทรหาน้องแนตอีกแล้วนะเราไม่ชอบเราเลิกกับน้องแนทแล้วถ้าน้องแนทโทรมาก็ไม่ต้องรับต้อมได้ฟังก็รู้สึกงงมากเพราะต้อมและแฟนนั้นก็รู้จักและสนิทกับน้องแนตอยู่ไม่น้อยต้อมจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผลก็ตอบว่านทัทแอบไปมีผู้ชายใหม่แล้ว ซึ่งนั่นถือเป็นข้ออ้างของพลเพราะตอมมารู้ในภายหลังว่าพลตั้งหากจะแอบหนีไปมีผู้หญิงใหม่แนทเสียใจมากและพยายามโทรมาหาต้อมและแฟนอยู่เสมอเพื่อขอปรึกษาเรื่องของพลและมีอีกคนที่ต้อมต้องอึดอัดเสมอเวลาที่ต้องรับสายนั่นก็คือแม่ของน้องแนทแกขอร้องให้ต้อมช่วยพูดกับพลให้หน่อยถือเสียว่าสงสารแนทมันเถิดแนทมันไม่เคยมีแฟนและรักพลมาก ตอนนี้ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินเอาแต่นอนร้องหม่มร้องไห้อยู่ในห้องนานๆจะเห็นออกมาจากห้องเสียทีก็ผอมซูบลงไปทุกครั้งขอให้ช่วยไปบอกพลให้รับสายของน้องแนทเสียหน่อยเถิดตอนนี้จะทาอย่างไรก็ไม่ได้ติดต่ อ, อยังไรพลก็ไม่รับสายจะไปตามหาที่บ้านที่กรุงเทพก็ไม่เคยไปเพราะพลเองก็ไม่เคยพาไปเลยมีแต่พลเองที่มาหาแนทที่บ้าน อาจจะเพราะความเชื่อของคนต่างจังหวัดคิดเอาว่ามันกันแล้วคงจะไม่ทิ้งกันไปไหนแน่ๆไม่นนึกเลยว่าพลจะกลายเป็นคนแบบนี้จนเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักระยะจนแน่ใจแล้วว่าพลจะไม่กลับไปหาแนทแน่ๆวันหนึ่งต้อมก็ได้รับสายจากพ่อของน้องแนทและพ่อของน้องแนท ก, ก็บอกกับต้อมว่าฝากไปบอกเพื่อนของมึงด้วยนะว่าทามึงสองคนมาบ้านกูอีกเมื่อไหร่กูจะฆ่าพวกมึงทั้งคู่ น้ำเสียงของพ่อแนทนั้นกล่าวอย่างโมโหและดุดันแต่ก็แฝงความเศร้าอยู่ในประโยคที่พูดโดยปกติแล้วจากที่ต้อมเคยรู้จักแกมาพ่อของแนทนั้นเป็นคนดีและสุภาพมากแกคงเหลืออดที่มีใครมารังแกลูกสาวคนเดียวของแก หลังจากวันนั้นก็ผ่านไปอีกสองเดือนที่ตอมไม่ได้รับรู้เรื่องราวของพลและแนทเลยพลเองก็ไม่คุยกับต้อมในเรื่องของน้องแนทแล้วต้อมเองก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวกับตนแต่บ่ายวันหนึ่งจูจ่ๆพลก็โทรมาชวนต้อมว่าให้ไปเที่ยวเมืองการกันเพราะนัดกับน้องแนทไว ตอมได้ฟังดังนั้นก็สะบ ớt ไปจนเกือบจะด่าเพื่อนในใจว่าพลนี่ชักจะยังไงไหนว่าเลิกแล้วทํากับเขาสักขนาดนั้นไม่คุยกับเขามาตั้งสองเดือนจู่ๆก็จะกลับไปหาเขาตอมจึงบอกกับพลไปว่าจะไปก็ไปคนเดียวเถอะไม่ไปด้วยหรอกพอเคยบอกเอาไว้ยังไงจำไม่ได้เหรอว่าถ้าเราสองคนไปให้แกเห็นหน้าอีกะแกจะข่าว เ, เสียทั้งคู่พลจึงตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดีว่า ก็อย่าให้พ่อเขารู้สินัดกับน้องนัดเอาไว้แล้วที่รีสอร์ทเดิมนั่นแหละจนแล้วจนรอดทั้งต้อมและแฟนก็ตกลงกันว่าจะไปเมืองการแต่คงจะไปช้าหน่อยเพราะติดธุระอยู่ขณะที่พล น, นั้นลวงนาไปก่อนตั้งแต่บ่ายแล้วเมื่อตอมและแฟนไปถึงรีสอร์ทที่เมืองการก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งก็ไม่พบกับพลจึงถามกับพนักงานต้อนรับที่คุ้นเคยกันอยู่พอสมควรเพราะเคยมาพักบ่อยแล้ว ตอมจึงถามไปว่าเห็นเพื่อนของผมไหมซึ่งเขาก็ตอบว่าเห็นแต่ก็เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อถามว่ามากี่คนพนักงานก็บอกว่าเห็นขับรถมาที่หน้ารีสอร์ทนี่คนเดียวแต่ก็สั่งอาหารเข้าไปในห้องถึงสองที่ได้ฟังดังนั้นตอมจึงคิดว่าทั้งพลและแนทน่าจะได้พบกันแล้วและตอนนี้คงออกไปเที่ยวที่ไหนกันสักแห่ง เมื่อเก็บข้าวของในรีสอร์ทเรียบร้อยตอมจึงกะว่าจะพาแฟนออกไปเที่ยวบ้างและก็บังเอิญที่รอบนี้ต้องขับผ่านไปยังบ้านของน้องแนทซึ่งตอมเองก็ใจคอไม่ค่อยดีนักเพราะยังกลัวคำขู่ของพ่อของน้องแนทอยู่แถมเจ้าเพื่อนตัวดียังแอบมากุ๊กกิ๊กกับลูกสาวของแกเอกจึงกะว่าจะรีบขับรถผ่านไปไวๆแล้วกัน แต่เมื่อผ่านไปก็เห็นว่าหน้าบ้านของน้องแนทนั้นมีการจัดงานศพอยู่ตามแบบของคนในต่างจังหวัดที่มักจะจัดพิธีศพไว้ในบ้านของตนเองโดยจะนำศพใส่ไว้ในโลงแล้วตั้งศพไว้ที่บ้านให้แขกที่มากราบศพมาหาที่บ้านของผู้ตายนั่นเองตอมใจคอไม่ค่อยดีแต่ก็อดสงสัยไม่ได้วันนี่มันงานศพของใคร หรือพลและแนทจะมาที่งานศพแห่งนี้จึงค่อยๆชะลอรถให้แฟนมองเข้าไปในบ้านแต่เมื่อแฟนมองเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะรูปที่ตั้งอยู่หน้าโลงศพนั้นเป็นรูปของน้องแนท ต, ตอมถึงกับต้องย้ำถามแฟนว่าตาไม่ฝาดแน่หรือแต่แฟนของตอมเองก็รู้จักน้องแนทดีคงจะตาไม่ฝาดหรือล้อเล่นแบบนี้แน่แต่ถ้าในโลงนั้นคือศพของน้องแนทแล้วใครกันล่ะที่อยู่กัเจพลเพื่อนของเขา คิดได้ดังนั้นตอมจึงรีบโทรเข้ามือถือหาพลเจ้าตัวก็รับในทันทีตอมจึงถามว่าตอนนี้พลอยู่ที่ไหนพลก็ตอบว่ากำลังจะไปเที่ยวที่สังขละบุรีตอมจึงถามต่อว่าแล้วตอนนี้อยู่กับใครพลก็ตอบกลับมาว่าอยู่กับน้องแนทนะสิตอมคิดไปคิดมาก็รู้สึกสับสนในหัวจึงกะว่าจะพูดกับพลนเรื่องงานศพที่บ้านของน้องแนท แต่ก็ดีนเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นก่อนซึ่งตอมจําได้ว่านั่นคือเสียงของน้องแนทดังขึ้นว่าเลี้ยวซ้ายจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงโคมคำคล้ายเกิดอุบัติเหตุจนมาทราบภายหลังว่าพล น, นั้นขับรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่จากปากคาของพยานที่ขับรถตามมานั้นบอกว่าจู่ๆรถของพลก็พุ่งซ้ายเข้าข้างทางด้วยความเร็วจนไปชนกับต้นไม้ใหญ่ข้างทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สัมมรดในที่เกิดเหตุก็บอกว่ารถพุ่งไปเหมือนว่าตั้งใจเลี้ยวไปจริงๆเพราะไม่มีอรอยเบรคที่พื้นเลยส่วนน้องแนทนั้นจบชีวิตตนเองด้วยการกินยาตายหรือนี่คือการทำตามคำสาบานของทั้งคู่ว่าหากใครคนหนึ่งตายก่อนจะต้องมารับอีกคนไปอยู่ด้วยและเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ความรักและคำสาบานเป็นสิ่งที่ล้อเล่นไม่ได้หากใครคิดที่จะมีรักจงรักอย่างมีสตินะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ